จังหวัดจันทบุรีเมื่อท่านพาโยมารดาบวชแล้วเพื่อไม่ใ <ff> ห <y đ ồng itet> ้ต <prove the truth sia> ้องมีสัญญาอารมณ์กับลูกกับหลานญาติพี่น้องท่านจึงพาโยมารดาไปอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีในปีพุทธศักราช2497 ครั้งแรกก็ไปพักอยู่ที่บ้านยางระหงต่อมาท่านอาจารย์เจี๊ยจุนโทเป็นผู้นิมนต์ท่านมาพักและสร้างวัดขึ้นในที่ดินของโยมพี่สาวบริเวณสถานีทดลองกสิกรรมพลิวอำเภอแหลมสิงห์ท่านอาจารย์เจี๊ยเป็นผู้ดูแล ในการจัดสร้างเสนาสนะให้ได้รับความสะดวกสบายครบถ้วนใช้เป็นที่พักจำพรรษาได้เป็นอย่างดีมีขอบเขตบริเวณเป็นส่วนเป็นสัดชัดเจนทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายอุบาสิกาการเกี่ยวข้องสังคมกับประชาชนของท่านนั้น ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนที่จังหวัดจันทบุรีนี้เองท่าเล่าถึงความมั่นคงเหนียวแน่นทางพุทธศาสนาของชาวจันทบุรีไว้ดังนี้ไปทางจันทร์ได้เทศออกสังคมก็ไปเทศที่เมืองจันทร์เทศเหล่านั้นก็เทศแต่ไม่ได้อะไรนักเมืองจันทร์หนี่โหเหนียวแน่นมากนะ ศรัทธาสำคัญมากนะวันเสาร์วนอาทิตย์วันพระนี้คนเต็มอยู่นู้นสถานีทดลองไปฟังเทศเต็มอยู่เขายังมาพูดอวดท่านพ่อลีเขาไม่รู้ว่าเรากับท่านพ่อลีคุ้นกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาไปแล้วก็ เ, เอามาคุยโม้กับท่านพ่อลีระยะนั้น ท่านพลีท่านอยู่วัดปาาคลองกุ้งเขาไปเล่าให้ท่านฟังว่าท่านพ่อเดี๋ยวนี้ได้พระองค์สำคัญองค์หนึ่งแล้วมาอยู่ที่วัดสถานีทดลองสำคัญอะไรท่านก็ว่าสิความจริงคุ้นกันมาตั้งแต่เมื่อไรเขาไม่รู้เขาว่าท่านอาจารย์มหาบัวอุย้ย เทพน้ำไหลไฟสว่างไปเลยว่าอย่างนั้นแล้วก็คุยให้ท่านฟังนะมันต้องอย่างงั้นสิเวลาท่านตอบมันต้องอย่างนั้น ส, นนออนนสิความจริงรู้กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาจะไปรู้อะไรเพราะฉะนั้นเวลามาพูดคุยโมให้ท่านฟังท่านก็อดหัวเราะไม่ได้ท่านก็ว่า มันต้องอย่างนั้นสิท่านก็ว่าเท่านั้นหละ